จิตที่ดิ้นรนกลับหลอกผู้จิตนี้ดิ้นรนกวาดแวงรักษายากห้ามยากบัณฑิตผู้มีปัญญาย่อมทําจิตนี้ให้ตรงเหมือนช่างสอนดัดลูกศรจิตนี้เมื่อผู้ทําความเพียรยกขึ้นจากอะไรคือกรรมกุลห้าแล้วซัดไปในวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ละวงแห่งมานย่อมดิ้นรนเหมือนปลาที่พรานเบ็ดยกขึ้นจากน้ําวางไว้บนบกดิ้นรนอยู่ฉะนั้นพระพุทธพาสิทธินี้แสดงถึงลักษณะของจิตว่า ดินรนกวาดแกวง่งรักษายากห้ามยากแต่ถึงกระนั้นก็ไม่เหลือวิสัยที่จะทําให้ตรงได้แต่ต้องทําด้วยอุบายอันฉลาดเหมือนช่างสอนดัดลูกศรให้ตรงถ้าไม่ใช่ช่างสอนย่อมทําลูกศรไม่เป็นฉันใดบุคคลผู้ไม่ชํานาญทางการฝึกจิตก็ไม่สามารถทําจิตให้ตรงได้ฉันนั้นที่ว่าจิตนี้ดินรนนั้นคือดินรนอยู่ในอารมณ์มีรูปเป็นต้นดินรนไปเพื่อเปลือกกลัวกับอารมณ์นั้นดินรนไปหารูปอันสวยเสียงเพราะ กลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสอันยวนใจเมื่อถูกกีดการจากอารมณ์นั้นด้วยสมถกรรมาฐานหรือวิปัสสนากรรมาฐานย่อมดิ้นรนมากขึ้นเพราะไม่ได้สวยอารมณ์ที่เคยได้เหมือนของที่ควรเคยกินจนติดแล้วไม่ได้กินย่อมแสดงอาการทุรนทุรายที่ว่ากวัดแกว่งนั้นคือไม่สามารถดำรงอยู่ในอารมณ์เดียวไม่สามารถนิ่งได้เหมือนเด็กหรือลิงไม่อยู่นิ่งในอิรยาบดเดียวหรือเหมือนใบไม้ที่ถูกลมพัดให้วันหวาอยู่เสมอ จิตนี้ก็เหมือนกันถูกลมคือโลกธรรมแปดบ้างราคาโทสะโมหะบ้างทําให้วันไหวกวัดแกวง่งที่วาระสายากนั้นเพราะหาอารมณ์อันเป็นที่สบายให้จิตได้ลําบากเปรี้ยวชอบอย่างนั้นเปรี้ยวชอบอย่างนี้และมักชอบตกไปในอารมณ์อันชั่วผู้มีปัญญาจึงต้องคอยเหนี่ยวรั้งอยู่เสมอเหมือนโคพยายามจะกินข้าวกล้าอันเขียวสดเจ้าของต้องคอยเหนี่ยวรั้งไว้ได้เชื่อชื่อที่สําหรับเหนี่ยวรั้งจิตก็คือสติ ถึงกระนั้นก็เหนียวรังได้ยากดุลนิวารยังเมื่อเชื่อคือสติขาดมันก็ไปตามที่ปรารถนาอีกแต่บุรุษผู้มีความเพียรก็ต้องพยายามทำกิจให้ควรแก่การงานเหมือนอย่างว่าในช่างสอนน้ำเอาท่อนไม้มาจากป่าปอกเปลือกออกแล้วทาด้วยน้ำข้าวหรือน้ำมันลนไฟแล้วดัดให้ตรงเมื่อทาลูกศรให้ตรงได้ทีแล้วก็แสดงศิลปะยิงสอนหน้าพระทินังของพระราชาหรือต่อหน้าชุมชน เป็นอันมากย่อมได้ราบสการะและความรักถือฉันใดผู้มีปัญญาในศาสนานี้กวฉันนั้นทําให้จิตอันมีสภาพดินรนนี้ให้กระเทาะเปลือกคือกิเลสออกด้วยอํานาจทุดงคุณและการอยู่ป่าเป็นต้นแล้วฉโหมด้วยอย่างคือศรัทธาล่นด้วยความเพียรทั้งทางกายและทางจิตดักที่ง่ามคือสมถะและวิปัสสนาทำจิตให้ตรงให้หมดพยศแหลแล้วพิจารณาสังขารทําลายกองอวิชชาได้แล้วยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้น กล่าวคือวิชาสามอภิญญาหกและโลกุตระธรรมเก้ย่อมได้ชื่อว่าเป็นทักษินยบุคคลผู้เลิศบวงแห่งมานที่ตรัสถึงในที่นี้ท่านหมายถึงกิเลสวัตรการทำวิปัสสนากรรมฐานก็ออกเพื่อให้ละบวงแห่งมานี้อาการทั้งหมดนี้ภิกษุย่อมได้รับด้วยความเพียรอันเป็นไปติดต่อไม่ขาดสายงานการฝึกจิตเป็นงานใหญ่และสําคัญยิ่งในชีวิตมนุษย์ไม่มีงานใดจะสําคัญและมีอานิสงส์มากเท่านี้พระพุทธพาสิคนี้ พระสัสดาทรงปราลบพระเมกยะตรักไว้บัณฑิตพึงทราบเรื่องพระเมกยะด้วยเรื่องพระเมกยะพระเมกยะเป็นภิกษุอุปถาพระสาสดาในสมัยหนึ่งวันหนึ่งท่านเขาไปบิณฑบาตในชันตูขามได้เห็นสวนมะม่วงอันรื่นรมซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำีกมีกาลาปราถนาจะไปทำความเพียรณ์ที่นั้นจึงกลับมากราบทูลพระศาสดาว่าตนได้เห็นสถานที่อันรื่นรมควรทำความเพียร ขออนุญาตทูลาไปทําความเพียรที่นั่นพระศาสดาทรงตรวจดูอินทรีย์ของพระเมขียะแล้วเห็นว่ายังอ่อนอยู่ไม่ควรเพื่อทาความเพียรด้วยตนเองจึงทรงห้ามเสียถึงสามครั้งว่าเมขียะอย่าเพิ่งเลยเวลานี้เราอยู่ผู้เดียวขอเธอจงรอคอยจนกว่าจะมีภิกษุบางรูปมาแทนแล้วเธอจึงค่อยไปดังนี้เป็นต้นแต่พระเมขียะหาฟังไม่ทอดทิ้งพระศาสดาให้อยู่แต่พระองค์เดียวส่วนตนไปยังสวนมะม่วงอันรื่นรม แต่เมื่อไปถึงแล้วไม่สามารถทำความเพียรอย่างที่ตั้งใจได้เพราะถูกวิตกทั้งสามคือกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกครอบงำจึงกลับมาสู่สำนักพระศา ส, สดาพระศา ส, สดาจึงตรัสว่าดูก่อนเมีเขียะเธอละทิ้งเราู้ออนวอนอยู่ถึงสามครั้งว่าให้รอก่อนจนกว่าจะมีภิกษุบางรูปมาแทนแต่เธอก็หาฟังไม่เธอได้ทำกรรมหนักเสียแล้วธรรมดาภิกษุไม่ควรตามใจตนเอง ขนาดปรารถนาสิ่งใดก็ทำสิ่งนั้นตามใจชอบไม่ควรตกอยู่ในอำนาจแห่งจิตเพราะจิตเป็นธรรมชาติอันแล่นไปเร็วควรทำจิตให้อยู่ในอำนาจของตนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าพันดานังจะพลังจิตต่างเป็นอาทิ